คำว่าบวชให้คืออุปสมบทให้คำว่าตลอดสองปีคือสิ้นสองปีคำว่าไม่อนุเคราะห์คือไม่อนุเคราะห์เองด้วยอุเทศปริปุจฉาโอวาทอนุศาสนีคำว่าไม่ให้อนุเคราะห์คือไม่สั่งพิกษณีอื่นพอทอดทุราว่าจะไม่อนุเคราะห์จะไม่ให้ผู้อื่นอนุเคราะห์ตลอดสองปีต้องบัตรปายจิตตี